ฉันยังไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันอย่างนี้เมื่อทุกคนก็รู้ดีว่าไม่มีทางที่เราจะได้เป็นไปอย่างที่ ฉันรอเพีย าหากเธอยังรักกันอย่าทำแบบนี้กับพริตไตฉันทีช่วยตื่นขึ้นมาก่อนฉันทีพาฉันไปยานที่ค่ ฉันรอเพียงาติหาหรือใครที่จะช่วยนำเธอกลับมาจะรอเธอตรงนี้จน 宋代的文。 เธอจะฟื้นตืนขึ้นเลือตาและฉันจะรอเธอไปจนกว่าและฉันจะรอเธอไปจนกว่าเธอจะฟ I'll u n d